พระธรรมเทศนาแผ่นที่91าดลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25มิถุนายน2559มีชื่อเรื่องว่าทำดีให้ได้ในสมเดือนวันนี้เป็นวันที่25้า มิถุนายนพุทธศักราช2559แต่หลวงพ่อลงมาตั้งแต่วันที่21นะลูกหลานลงมากรุงเทพคราวนี้ลงมานานมาทำธุระหลายอย่างแล้วก็สรุปแล้วก็คือรอไฟพระรัตทานเพลิงศรีละสังขารหลวงปู่ทองวัตสโกา ร, รามเมื่อท่านเมื่อเสร็จงาน พระราชานแล้วหลวงพ่อก็คงจะกลับอุดรคงจะกลับวันวันต่อไปแล้วก็ลงมากรุงเทพคราวนี้เข <c oughs> ลงมาจวนจะเข้าพรรษานะคะน่ า, า, านจะทายญาติโยมลูกหลานลงมาอีกเดือนต่อไปก็คงจะเป็นเดือนเดือนสิงหาเดือนกรกฎาก็ยังไม่มั่นใจแต่สิงหาคงจะมาที่สวนแสงธรรม ทำบุญให้เจ้าเจ้าเจ้าสวนเจ้าของสวนแสงธรรมคุณหมออุไรวันนะถ้าหลวงพ่อจะไม่ผิดนะชื่อของท่านนะเพราะหลวงพ่อเนี่ยสมองของหลวงพ่อเออเลอะและ้วบางทีมันอาจจะผิดผิดทุกทอกนะค <c oughs> งจะมาในช่วงเดือนสิงหาแต่ถึงยังไงก็าตาม ก่อนข้อภันษาหลวงพ่อก็เด้พูดเมื่อวานเนี่ยเคยพูดที่สวนแสนธรรมแต่มาที่นี่หลวงพ่อก็จะจะกล่าวย้ำเตือนให้กับกณังจัดทายญาติโยมลูกหลานทุกคนเทศกาลหรืรอว่าช่วงเข้าพรรษาปี2559พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชน ในเทศการเข้าพรรษาพวกเราจะปฏิบัติปฏิบัติตนอย่างไรพระในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าถ้าออกพรรษาแล้วก็หลายเดือนท่านก็ไม่รู้จะตั้งจิอธิษฐานอย่างไรตั้งจิตกวามุม่ง ม, มั่นอย่างไรในการทำคุณงามความดีของท่านพอจวนจะเข้าพรรษาท่านก็บอกว่าข้าพเจ้า จะเอาอริยบทสยืนเดินนั่งจะไม่นอนในพรรษาเ น, นี่ยยางมีนะไออันนี้คือพร ะ, ระในครั้งพุในครั้งพระพุทธการครั้งพระพุทธเจ้าจวบพระจักคูบาลไอพระจักขุบาลผู้มีจักสุแตกท่านก็ไม่นอนตลอดตรมากสมเดือนมีเอาอริเอาอริยบทสามคือยืนเดินนั่งเท่านั้น ไม่เอ็นกายเลยเจากนั้นท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ทีนี้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนในพรรษานี่ปี 2,559 เน่ยพวกเราควรจะเอาตัวอย่างท่านพระจักรคุบาลที่ท่านปฏิบัติตนอย่างไรเอ่อจนท่านท่านได้สำเร็จแต่พวกเราก็ไม่เอาถึงขนาดซ้ำท่านสําเร็จหรอก แต่เราต้องการมนุษย์สมบัติสวัรค์สมบัติพรมสมบัติถ้าได้ขนาดนี้ก็น่าจะเพียงพอนะถ้าได้นิพพานสมบัติก็ยิ่งดีแต่ว่าเราจะได้มนุษย์สวรสด์สมบัตินั้นเราจะปฏิบัติตนอย่างไรในหลักของพุทธศาสนาในผลักธทำคําสอนของพุทธเนี่ยควรจะมีควรจะประกอบคุณงามความดีนะคณะทะทาญาติโ์โยม ทุกทท่านคือในพรรษานี้ข้าพเจ้าปล่อยประละเลยไม่เคยคิดเลยว่าประกอบคุณงามความดีนั่นคืออะไรในหลักของพุทธศาสนาแต่ในพรรษานี้หลวกพ่อขอแนะนําว่าในพรรษาเข้าพรรษาข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันทําวัดเย็นทำวัดเช้าทุกวันแต่ถึงไม่มากก็ให้กราบไหว้ว อรหังสวาขาโตสุปฏิปโนนโมตัสเพียงแค่นี้กระบอกทออําให้ได้ได้แค่นี้กระบอกคือเราจึแสดงจํานวนจํานว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนิกชนนอบน้อมพระพุทธเจ้าคือนอบน้อมท่านผู้ดีออดีเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้หมดจดจากกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะ คือพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอห น, น่อบนพระพุทธเจ้าอาหังสวะขาโตสุปฏิปันโนและกัน้โมตสักพระเขาวัโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธทัสสะข้าพเจ้าขอห น, อน่อบนแดพระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือน้โมสามจบพุทธสามจบถ้ามากกว่านั้นอะพุทธทางธรรมังสังขัรสรณงคัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่เพ่งดูติตาติยืนยันถึงสามครั้งแต่ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่เพ่งจากนั้นก็แผ่เมตตาแนตะ่ในมากกว่านั้นคือแผ่เมตตาตั้งจิตแน่วนแน่ประนมมือขึ้นหลับตาแล้ว น, นึกในใจข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไร อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นดวงใจอื่นๆืขอขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทบุกทุกดวงใจทุกทุกดวงวิญญาณด้วยเถิดอันนี้คือแผ่เมตตาเป็นภาษาใจในหลอกเพียงแค่นี้พอตืต่นนอนขึ้นมาก็นเนี่ยอนะาหารสวางคา้าโตจุปฏิปนโอมแล้วก็ตอนเย็นมากันนะถ้าได้เพียงแค่นี้ก็ในพรรษาสามเดือน ลมพ่อมันจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจจะทําให้จิตใจของเราเย็นลงมากทีเดียวนะจากนั้นเราก็ถ้าเป็นไปได้เออเมื่อข้าพเจ้าไหว้พระจบแล้ววันหนึ่งข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิสักสิบนาทีแหมก็ตั้งนาฬิกาวันหนึ่งคือหนึ่งจากนั้นเราก็นั่งนั่งภาวนากําหนดลมหายจใจเข้าเวลาเราจะนั่งภาวนานะต่อหน้าพระนี่นะ แล้วก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายทว่าถ้าหากว่าเรานั่งขัดสมาธิไม่ได้เราจะนั่งพับเพียบ ก, ก็ได้เราจะนั่งเก้าอี้ก็ได้แต่ให้ต่ํากว่าพระนะพระที่เราตั้งขึ้นมาให้เราใ ห, ให้นั่งให้พวกเรานั่งต่ากว่าให้พระนั่งสูงกว่าจัดอาณนะาจักรเนี่ยที่นั่งของพระให้พระ พระพุทธปฏิมานนั่งสูงกว่าประทับนั่งสูงกว่าเรานั่งต่ำกว่าจากนั้นเราก็ประนมมือขึ้นระห ว, ว่างกไหว้พระพุทธเจ้าก่อนพุทธโธธรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆและเลื่อนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงสามจบจากนั้นก็เอามือลงไว้ที่หน้าตักนะมือขวาทักมือซ้ายจากนั้นก็บริกรรมหายใจเข้าหายใจออกโทน อไม่ใหมวนี่มันเ อ, อเราอาจจะไม่เคยชินก็ตั้งนาฬิกาไว้ก่อนก็ได้นะสักสิบหนึ่งนาทีพระพเจ้าจะนั่งสักสิบนาทีวันนี้เราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธในใจนะหาย ใ, ใจเข้าพุทธหายใจออกโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเ อ, อพอสิบนาทีแล้วขอหยุดต่อไปแล้วถ้ามีโอกาสเรานั่งเห็นมากกว่านั้นขึ้นไปอีก นี่แหละวิธีการประกอบคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจทางว่าเราม า, าให้ทานะก็ใช่กระบิดเป็นส่วนหนึ่งการรักษาศีลก็ใช่เป็นส่วนหนึ่งแต่การนั่งภาวนานะเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานะคะท้าทาย ญ, ญาตโยมทุกทุกท่านนะไม่ใช่หน้าที่ของพระนะเป็นหน้าที่ของพวกพุทธบริษัทศีด้วยกันพุทธบริษัทศีก็คืออะไรคือวาสศก็คือโยมผู้ชายอุบาสิกาก็คือโยมผู้หญิง เป็นหน้าที่ของพวกเราต้องพิกษุสัมมาณทุกขนวยการนั่งภาวน า, าคือทำจิตใจให้สงบไอ้นี่ะคือประกอบคุณงามความดีในพรรษ า, าได้ไหมไหวพระทวุกวันนั่งสมาธิวันหนึ่งกับคืนหนึ่งให้ได้สักสินาทีทานได้มากกว่านั้นก็ยิ่งดีาจากนั้นเรากา็รักษาสินห้าใน 3เดือนได้ไหมสำหรับผู้สูงอายุที่ผู้เคยรักษาสีนุโบนสวนรักษาสีหามาก่อนแล้วรู้จักวิธีการรักษาศีนอยู่แล้วใน3เดือนนีเ้เอาเถอะข้าพรเจ้าจะรักษาสีห5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดตลอดไ ร, รามาตรสาเดือนขนาดพระจักขคูบานเนี่ยท่านยังรักเอาอริยบท3ยืนเดินนั่งไม่นอนตลอดไรามาตท่านก็นยังทาได้ แต่เรารักษาศีลห้าตลอดตรมาสสมเดือนก็ไม่เห็นจะผิดไปที่ตรงไหนข้าเพเจ้าจะงดในการฆ่าสัตว์ฆ่าลิ้นฆ่ายุงมฆ่ามดฆ่าอะไรก็ตาม เ, เราฝากข่าจุดอาทินาทานเราก็ไม่มีอยู่แล้วกาเมสุมิสาจาราวีรบุรีเราก็เราก็ระวังอยู่แล้วมุสาเนี่ยเป็นยา ป, ปากคอกสักหน่อยนะอัอนี้เราระวังตัวเนี้ย โดยตีมุสาบางทีก็พูดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็มีบางทีกับตั้งใจก็มีบางทีก็หลบลีกเลีเ่ยงไปมุสาไปก็มีอันนี้เราก็ต้องระวังระวัง อ, อ, อย่าให้มันผิดศีลบ่อยแต่สุราเนี่ยนในปรรญาเนี่ยเราก็งดอีกออมันได้ประโยชน์อะไรทาให้ตัวเองเสียสติขาดสติทำให้ตัวเองเป็นคนที่ เมื่อสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันดีไหมมันไม่ดีทั้งนั้นแหะเด็ดอันนี้คือสินห้าเลยถ้าได้สินห้าตลอดไตรมาสามเดือนก็ดีแต่ถ้าไม่ได้สามเดือนละ่ะเอาเฉพาะวันพระก็ได้จะเนี่ยแต่ถ้าไม่ได้วันพระเอาวันอาทิตย์วันอาทิตย์หนึ่งอย่ากที่มื้อเช้าเนี่ยพวกเราตัง้งจิตธรรมท า, านสินห้าเนี่ยอีมาเนี่ยแต่หลวงพ่อลืมบอกนะอีมาเนี่ย ปัญจศิขาประธานิสมาธิยานเมื่อเช้าเนลืมสมาทานนะหลวงพ่ออะไรให้ม้วนศีลไปเร็วเกินไปแต่แต่ทำไม้จริงเมื่อจบศีลห้าแล้วพวกเราอิอมานิปัญจศิกขาประธานิสมาธิยามิขฆะพเจ้าขอสมาทานศีลห้าเพียงแค่นี้ก็เป็นศีลแล้วน ะ, ะคือวันพระแปดคำ่ำ เ, เรือว่าวันอาทิตย์ก็ได้ ที่เรารักษาสินห้าตรตรมาสสเดือนได้ไหมอันนี้เมื่ อ, อ, อมากกว่านั้นก็เรือเราจะต้องทำทานในพรรษาหนึ่งในครอบครัวของเราในบ้านของเรา เ, เราจะใส่บาตรทุวกวันอาทิตย์ได้ไหมการทำทานเราก็จะไปหมอข้ามนะะัการศาญาติโยมนะในหลักของพุทธศาสนาคนที่ทำบุญทำทานเกิดมาพบใรชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยาก เพราะการทําทานเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเอาไว้ฝึกรุกฝึกหลานเอาไว้ในการทําทานอย่างเห็นตู้บริจาคคนตาบอดหรือเห็นตู้บริจาคคนพิการหรือว่าสาธารณประโยชน์โรงพยาบาลเราเห็นเออเอ า, เอาเนี่ยเอาย้อนไปย้อนตู้นะให้ลูกให้หลานไปฝึกขัดในการทําบุญต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าเราได้เกิดติดภพติดชาติ ได้เห็นพระปฏิเย็บพระเทวเจ้าได้เห็นพระเทธเจ้าก็จะเกิดศรัทธาเพราะเราปูพื้นฐานไว้ก่อนแล้วถ้าเราฝึกหัดให้ขี้ตะดีทีเหนียวแต่ใช้อย่างอื่นเอาไปใช้อิรุยฉุยแฉกนะแต่ที่จะทําบุญทําทานนะั้นนะฝึกหัดให้ลูกหลานขี้เหนียวนะั้นไม่ดีนะควรจะให้ทานแต่ไม่ใช่เราก็จะให้มากมายอะไรเป็นแตป่ปูพื้นฐานเป็นอุปนิสัยให้ลูกให้หลานเอาไวนะ้ นี่ก็เหมือนกันนะในพรรษาเนี่เอาเถอะบ้านของเราทานอาหารพวกวันพละบินทบาตผ่านหน้าบ้านเราควรจะทำบุญตักบาตรวันละองค์ได้ไหมอาทิตย์ละองค์ได้ไหมนี่แหละอันนี้กเ็เราควรจะใส่ใจเพราะอันนี้สงแห่งการทำทานจะทำให้พวกเราเกิดพบใรภูมิใดจะไม่อดไม่อกเพราะอันนี้สงทานเกื้อกูลนน แต่พวกเราท่านทั้งหลายก็บอกโอ้ยพระทุกวันนี้ไม่น่าเคารพนับถือเลื่อมใสเอาเถอะเถอบางองค์หวังบางท่านองค์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คงจะมีอยู่ในพุทธศาสนาไม่คงจะไม่ทําเสียหายอย่างที่พวกเราได้ยินข่าวอย่างนั้นออกไปอย่างนั้นมันก็คงจะหมดนั่นแหละพุทธศาสนาในประเทศชาติชาติไทยของเราผู้องค์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบั ต, บตชบิชอบชอบก็ยังมีอยู่ ต่อไปภายภาคหน้าพุทธศาสนาถึงห้าพันปีนีพุทธศาสนาห้าพันปีเลยกว่านั้นไปพระสงฆ์ทั้งหลายจะมีแต่ผ้าน้อยๆผ้าน้อยเศษผ้านะเศษผ้าเหลืองห้อยที่หูเนะี่ยแต่เป็นผ้าเหลืองห้อยที่หูเขาก็ยังว่าเป็นพระในยุคสมัยนั้นต่อไปภายภาคหน้าอันนี้พระทุกวันนี้พระถึ่งพธการพระ 2,500 อย่างพวกเราเห็นผ้าจีวรของข้างกันยังผืนใหญ่อยู่หลวงพ่อว่านี่นะอย่างน้อยเราก็ทำบุญเพื่อบูชาผ้ากาสาวพัดของพระพุทธเจ้าอันนี้คือผ้ากาสาวพัดเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าส่งให้พระสงฆ์เป็นผู้นุ่งห่มเพื่อบำเพ็ญชําละกิเลส โรคโกรธหลงออกจากใจอันนี้คือผ้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามองเห็นผ้าเท่านั้นนะเราก็ร ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้านะอย่าไปนึกถึงความชั่วของคนอื่นพระองค์อื่นคนคนอื่นเขานะให้เราให้เราลืมนึกถึงผ้านี้เป็นผ้ากาสาวาทของพระพุทธเจ้าเป็นธงชัยของพระพุทธเจ้าเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาให้พระสงฆ์ในยุคสมัยนั้นท่านบำเพ็ญ ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจของพระองค์เป็นพระอระหันต์ในครั้งพุทธกาลมากต่อมากคือผ้ากาสาวพัทนี้เนีน่เราเระลึกถึงผ้ากาสาวาเราก็ทำบุญระลึลกถึงพระพุพพทธเจ้าเป็นบุญเป็นกุศลนะกนัตาญาตโยมขนาดช้างอยู่ในป่าขนาดช้างอยู่ในป่าพระปิจิจอยู่ในป่าิณ ไปอาบน้ําสงน้ําอยู่ในสระพวกช้างถาลายเห็นกับเขารบนับถือเลื่อมสายพระประเจกพกาาุทธเจ้าแต่นี่นายพรานเนี่ยนายพลานเข้าไปพอช้างถูกกินช้างก็วิ่งหนีนายพรานนเอเห็นช้างหมู่นี้มันเคารบพระประเจกพอเห็นพระประเจกมันไม่กลัวเลยเราควรจะไปเอาผ้าพระประเจกมาคุมนะ ขนาดคนชั่วมันยังเอาผ้าพระปัเจกมาคุมตัวเองเนยจากนั้นพระปัจเจกลงไปสงน้ำํำพรานป่านี่ยไปย่องย่องไปขโมยเอาผ้าพระปัเจกเนี่ยเจ้าไม่นะั้งจริงผ้ายี่งหายยากกี่แล้วหาสร้างปราบกรรมเสร็จตัวเองประเทศน่ยพรานเนีพรานป่าพอได้ผ้าจีวรวันนี้ก็ไปนั่งโยกข้างที่ทางช้างจะมาพอเสร็จแล้วก็ เห็นช้างตัวไหนที่มีงาที่ตัวเองอยากจะยิงเอาธนูออกมาออกมาจากผาาจีวรผืนมันใหญ่แล้วผ้าจีวรเนี่ยพระผ้าจีวรเระาไปเจกนียก็ยิงช้างเลยนะพอยิงเข้าไปลก็ลูกศรอาบด้วยยาพิษใช่ไหมช้างมันก็วิ่งไปหน่อยมันก็ล้มตัอจากนั้นนายพาเนี่ก็เอาองาเอาอะไรมันเสร็จแล้วก็ไปอันนั้นคือเป็นอาชีพ ต่อมาเนี่ยช้างมันล่อยหลอลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเออพอมันช้างตายเออหัวหน้าเขาหัวหน้าช้างเออลูกน้องของเราเนี่ยทําไมมันดูดูแล้วมันล่อยหลอลงไปเรื่อยมันมีอะไรนะนเกิดขึ้นนะ่ยหัวหน้าต้องเป็นอย่างงั้นนะ่ะเออจากนั้นหัวหน้าก็ค่อยย่องตามหลังมาเออพอตามหลังมาที่ไหนได้เอ อ, เ อ, อพระปัญเจกปลอมเนี่ยนะพอเห็นช้างตัวนี้งาใจขึ้นมา เออพอช้างตะนนี้ระวังอยู่แล้วใชเออพอกําลังโคกขับจะยกขาธนูเท่านั้นจะเอาธนูออกมาจากผ้าจีบอนเ่ยช้างก็บปีกเข้าไปเลยนะไปตะปบเพลเออพอไปตกตะปบในพานเออช้างก็พูดเป็นภาษาคนตะแกจ ะ, ะไม่ยิงลูกบริวารของเราเออพอไปเจีกลอมก็ใช่เข้าไปา้าวจีนเออเนี่ยนะช้างตอนนั้นก็เลยบอกอ ต่อไปนี่นะอย่าทําอีกนะยนุดนะถ้าคืนทำํำจะตายนะเหตุที่เราไม่ฆ่าเธอข่าวนี้เพราะเราเห็นแก่ภาพพระปัิเจกพุทธเจ้าอันนี้คือธงธงชัยของพระอรหันต์ฆ่าพรเจ้าเคารพในผ้ากาสาวพัดฆ่าพระเจ้าจึงไม่ทําร้ายทำร้ายท่านแต่ท่านอย่าทําอีกนะนี่แหละขณะเป็นพระโพธิสัตว์เป็นช้างท่านเคยยังเคารพผ้าพระปัิเจก พุทธเจ้าประวันคือธงชัยเป็นผ้าของพระอรหันต์ที่ครองผ้าแต่พาและชนมันครองนั้นนายผ่านครองผ้าเนี่ยเป็นขโมยผ้าพระเนี่ยนี้ก็เหมือนกันนะถ้าพระองค์ใดก็ตามปฏิบัติตตนไม่ดีแสดงว่าเอาผ้าธงชัยผ้าของพระพุทธเจ้ามาครองตัวเองถ้าตัวเองทํำตัวไม่ดีอันนั้นแปลว่าไม่ถูกต้องล่ะไม่เป็นธรรมล่ะ แต่ถึงยังไงถ้าท่านก็นยังคลองผ้าเราขอลบผ้าอย่างช้างท่านขอลบผ้าท่านไม่ฆ่าเพราะท่าใไมฆ่านายพรานช้างทัวนั้นอช้างพระโพธิสัตว์นี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันการทําบุญทําทานของพวกเราที่ยังไงก็ให้ให้พวกเราเดูแลเคารพผ้ากาสาวะ บางทีองค์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าจะเลวหมดทุกองค์ถ้าเราตีรวดกวดเพียงขนาดนั้นแหละถ้าเห็นพระก็เป็นไม้เบื่อไม้เมาเฉยก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะอันนี้เป็นแนวความคิดให้กับพระนัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าแต่ท้งนี้ท้งนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้บอกว่าเออให้มาทาบุญทาทานกับหลวงพ่อยินเนอร์หลวงพ่อก็ไม่ได้วายอย่างนั้น ท่าหลวงพ่ออินตายเป็ อ, องค์เดียวพุทธศาสนาก็ต้องหมดอีกไงเพราะนั้นเราก็ต้องสื่อทอดไปพุทธศาสนาจะทํำยังไงพวกเราจึงจะดูแลคุ้มของพุทธศาสนาถ้าองค์ไหนไม่ดีเราก็มองเห็นแลว่าไม่ดีเราก็ควรจะช่วยกันเป็นหูเป็นตาเอาออกซะกำจัดออกเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทสีนะเป็นผู้ดูแลพุทธศาสนาไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะ เพราะนั้นขอขาฝากไว้กับพวกเราทุกทกท่านนันนี้คือการทําบุญทำทานแต่ที่ยังไงก็รักษาศีลเนี่นเยนะเป็นส่วนตัวเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากจากเรื่องภาวนาเป็นหน้าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกทกท่านนะเรื่องการภาวน า, เ, าเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องบําเพ็ญนะในพรรานี้หนะลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราทุกทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุเนะนะี่ย หมดหน้าที่การงานแล้วการงานาไปนอกไม่มเีเราก็ควรจะหันหน้าเข้ามาหาที่พึ่งทางด้าน จ, จิตใจเพราะหลักของพุทธศาสนาพู ด, ดเลยเลยพระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วตรัสไว้ชอบแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลุงปู่มั่นก็เหมือนกันท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะข้าราชกาญาติโยมลูกหลานนะได้เพาะถ้าพวกเราอยากจะรู้ พรตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญไม่มีทางอื่นนอกจากนั่งภาวนาถ้านั่งภาวนาทาจิตใจให้สงบแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองร่างกายกับใจใจกับกายกายกับใจนะมันเป็นคนลักษณะกันร่างกายแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเกิดเท่าไหรตายเท่านั้นแต่ใจที่นมามธรรมน่ออกจากร่างแล้วนะ จะไปปฏิสนธิไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆต่างๆอันนั้นคือใจให้จะพาไปเกิดใจดวงนั้นนถ้าเอาใจดีใจสร้างบุญสร้างกุศลใจมีคุณธรรมใจที่เป็นกุศลใจดวงนั้นก็จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆไปมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัติถ้าจิตใจดวงนั้นบริสุทธิ์ก็เข้าสู่นิพพานสมบัติได้เนี่แหละขั้นไมได้ให้ความสําคัญเรื่องของกายนะ หลักของพุทธศาสนาถ้าเราศึกษาดูให้ดีแล้วท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมโนปุพังคมาธรรมามโนเสรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านเนอะในพรรษานี่หลวงพ่อเองเออโดยเฉพาะ อ, อย่างจริงผู้หนุ่มทั้งหลายหรือผู้สูงอายุก็เหมือนกันนะั่นแหละท่าบางท่านบางคนนะ หลวงพ่อนะขอปิดเถาบาทเรื่องสุรานะทางงดได้พอดีไนะตรามาสสมเดือนนะงดบุลีงดเล่าบุลีก็มันกินโชคไปมันได้อะไรแล้วก็ต้อง ม, มองหาเหตุผลถ้ามันได้มีสวนไดน้ก็ไม่ว่ากันถ้ามันไม่มีสวนได้ก็ทำให้เสียปลอดปอดพังเฉยๆสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าไปาหามผลนนมาใส่ตัวเองเอาทิ่ของที่มันดีมาใส่ ประกอบคุณงามความดีคิดดีทําดีพูดดีจริงไหนที่มันดีใส่ตนเองทางรถได้ก็ดีนะทางวสบุรีนะทางรถไปได้ก็ไม่เป็นไรกรสุดแทะแต่มันปลอดพังเวลาไปหาหมอกเวลาถามท่านจูบุรีไหมตอบบอกตอบตอบเต็มปากเต็มคำก็ไม่ได้ท่านต้องรถนะถ้าไม่งดไปได้รักษาไม่หาย มันเสพมันเยอะบางเทพเป็นโรคปอดเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันนี้เราก็ควรจะงดง ด, งดซะเพราะเราอยู่ในโลกถ้าเขาว่าอันนั้นอันไหนมันไม่ดีเราก็งดซะอย่างชุราเนี่ยอชุราเนี่ยในหลักของพุทธศาสนาเขาว่าไม่ดีแล้วแต่ทางโลกเขาขายกันแต่หลักของพุทธศาสนาเับมดถ้าดื่มสุราดื่ม เล่าเข้าไปแล้วมันขาดจิตินะในเมื่อขาดจิติแล้รทำความชั่วในทกอย่างเพราะคนขาดจติตีจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้จะลาลาบระลวงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะมันขาดจติตีแต่เด็เรามาพิจารณาดูที่ว่าสื่อต่างๆในประเทศไทยสื่อหนังสือพิมพ์สื่อวิทยุโทรทัศน์แต่ละวีแต่ละวัน ท่าเราสืบสอบดูแล้วก็เนเลยมันมาจากความมึนเมาเป็นส่วนมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการมึนเมาเนี่ยทาให้เสียหายได้อย่างหลักำคําคําสอนของพุท ธ, ธะจริงๆพราะพระพเจ้าท่านตรัสไว้แล้วตั้งสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าปีให้หลักพวกเรานํามาพิจนารณาดูอเออจริงจริงอย่างที่พระธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะนี่อันนี้พวกเราเห็นแล้วเห็นโทษแล้วจิงไหนที่มันไม่ดีเราจะทําทําไม และของโสดซาเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนพุทธบริษัทของพรงให้เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีสิ่งไหนที่มันคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งนั้นเป็นเรื่องบาปเป็นบาปอากุศลแต่หลวงพ่อลงมาคราวนี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับวัดเสือนะลู ก, ลกหลานคณาจารติโยมพูดถึงวัดเสือเมื่อวานก็นได้พูด เพราะว่าเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องเสือนะ่ยหลวงพ่อไม่เกี่ยวนนะ่ะหลวงพ่อบอกเล้ว่าหลวงพ่อไม่รับผลพ่อไม่รู้วันมันผิดกฎหมายยังไงไม่ผิดกฎหมายอย่างไรพอหลวงพ่อเนะี่ยบวชเข้ามาตั้งแต่อายุสิปีนะี่มีแต่เรียนนโมทัสสะอิติพิโสแล้วก็เมตตากรุณาโมทิตาอุปเบกขาเนี่สิ่งสมาธิปัญญา สติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมมรรคแปดหลวงพ่อเรียนมาทางนี้นะเรื่องกฎหมายหลวงพ่อไม่ได้เรียนเพราะนั้นหลวงพ่อจะไม่พูดถึงนะแต่หลวงพ่อเนี่ยทำไมเรียนที่วัดมาพูดถึงวัดเสือหลวงพ่อเนี่ยเดี๋ยวนี้วัดเสือเขาเอาเสือออกไปเสือ เ, เป็นรายได้ของวัด เ, เวลาคนเข้ามาเนี่ยทั้งฝระรังมังค่าตา่ตางต่างชาติเข้ามาเข้ามา เ, เ, เขาเขาเข้ามาวัดเสือเขากระจายเงิน แต่ที่พอเอาเสือออกไปเนี้ยสัตว์อื่นเขาไปออกไปไปด้วยแ่เนี้เออเนี่แหละสัตว์อื่นก็คือหมูป่าไงหมูอยู่ในนั่นประมาณเป็นพันกว่าตัวอกวางนี่ ก, นก็เป็นห้าหกร้อยเจ็ดร้อยตัวทั้งบัวทั้งควายโดยทั้งม้าด้วยเออสรุปแล้วก็คือสัตว์อยู่ในวัดท่านหลวงตาบัวเนี่เดี๋ยวนี้ประมาณสามพันกว่าลูกหลานนะหลวงพ่อให้ ให้โยมให้ใครไปถามดูแต่นี้สัตว์สามพันเนยะเอาเสือออกไปเลยเนียมันไม่มีรายได้เทย้สัตว์พวนั้น่ะมันอยู่ในวัดมันก็ไม่มีอาหารจะกินเนี่ยหละลพ่อเลยพูดไปวันสองาวันก็มีคนเอาข้าวเอาข้าวปลายไปส่งให้ก็เป็นที่พอใจยอยู่แต่ถึงยังไงก็ยังเออในช่วงนี้เป็นช่วงที่มันควันตลบอยู่นะ เออมันบ้นในช่วงบ้านแตกสาแหลกขาดอะไรหลวงพ่อเองในฐานะเป็นลูกชิดขององค์หลวงตาแต่วัดนั้นก็เป็นวัดหลวงตามหาบวัวน่ะเออหลวงพ่อก็เป็นลูกเป็นหลานปวงหลวงตาควรจะบอกกลานน่าวการตัดทายญาติโยมช่วยช่วยกันคิดเนอเออช่วยชวยกันดูหน่อยเมตตาสัตว์เออแล้วก็สัตว์เหล่านั้นกวางหลวงตามอกให้ยี่สิบามโค ยี่สิบสามคูตัวพ่อตัวเมียเนี่ยยี่สิบสามคูนี้มันออกขายายให้พันตั้งห้าหร้อยตัวเนี่ยทีนี้ทางกรมอุทยานรายกรมป่าไม้เขาว่าห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ห้ามเคลื่อนเคลื่อนย้ายของในวัดถ้าว่าห้ามเคลื่อนย้ายรถมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมห้ามย้ายย้ายรถย้ายสิ่งย้ายของมันก็ไม่มีอะไรเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในที่มันก็ไม่เสียหายอะไร แต่ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์เลยใครเป็นคนดูแลสัตว์เยสัตว์ตมันกิ่นนะเจ๊ไหมเอ่อ ส, สัตว์มันกินอาหารห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์และคงมป่าไม้ก็ไม่ได้เข้าไปดูอีกทางหากแล้วใครละจะเข้าไปดูวัดก้อนตั้นเออบ้านแตกซาแหลกขาดสัตว์ทั้งหลายพันตัวเลยไปดูนะเออหลวงพ่อเลยหลวงพ่อให้ญาติโยมไปดูมาแล้วเห็นอ่ะได้ยินมาแล้วพระก็ไปดูหลายองคตาตาตาตาตหลวงพ่อไอ S <S <an> เวลารถเข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่าวัวไม่รู้ว่าควายไม่รู้ว่าม้าไม่นูว่าหมูป่าลุ่มตามรถมันหิวอาหารทั้งร้องร้องตามหลังรถติดต่างหากหลวงพออ่ออูตายสเพสั ต, ตาอาหารพฤติกา ส, สัตวสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารถ้าไม่มีอาหารกินแล้วจะทำอย่างไรนี่ยเรหลวงพ่อเมตตาจุดนี้นะนะกทาย ญ, ญาติโยมหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเรียาานคาถาเมตตา กรุณามูทิตาเออแต่ว่าถ้าเอาไม่ไหวจริ ง, รงๆหลวงพ่อก็ต้องวางเปกขาหลวงพ่อแบบคนเดียวไม่ไหวเหมือนกันแต่ที้หลวงพ่อเห็นคาราทาญาติโยมผู้ใจญปุญที่เป็นศิษย์ญาติศิษย์ขององค์หลวงตาน่ให้ช่ว ย, ช, วยช่วยกันเนอะให้ฟังให้ําเรื่องตาดูด้วยแต่วันนี้เมื่อวานนี้ก็หลวงพ่อให้อาจารย์เจริญนะสวนแสงธรรมก็เสียต้มเสียทีสามคน เป็นผู้ดูแลบัญชีให้ดูดูนะเพราะว่ามันก็จะต้องมีค่าอาหารมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายในวัดแต่เราไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงไปตลอดขอไปดูดูไปสักสองสามเดือนให้หายควันมันหายจากลงไปแล้วเดี๋ยวเราค็จะค่อยมอบคืนให้ท่านแต่ขณะนี้มันรู้สึกว่ามันเราสงสารพวกสัตว์นั่นแหละพวกสัตว์พวกสัตว์เนี่ยหลวงพ่อก็ให้นี่ หลวงพ่อสามงที่นั่งติดหลวงพ่อองค์หนึ่งแล้วก็ท่านสาธว์ในองค์หนึ่งแล้วกหลวงพ่อบำบัหลวงองค์หนึ่งเป็นผู้ดูแลบัญชกีกับอาจารย์เจริญเสียต้อมเสียเสยทีนะรวมแล้วเป็นหกท่านนะ ช, ช่วยกันดูถาาว่าคููใดอยากจากัดเมตตาสงฆ์ข้อสัจขนะ้อนติดต่อกพวกทั้งครูบาอาจารย์ทั้งสามองค์นั่นก่ กับศรัทธาญาติโยมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อไม่ได้ขอนะหลวงพ่อแจ้งข่าวให้ทราบว่าสัพพสัต ท, ทั้งหลายเขามีทุกถ้าเราไม่เชื่อวันนี้เราไม่ทานอาหารสักวันสองสวันแล้วมันเป็นยังไงความหิวนะสัพพสัต ท, ทั้งหลายมันหิ ว, เ ห, วเหมือนกันเหมือนกับเราเหิวนั่นแหละเพราะฉนั้นหลวงพ่อเนี่ยไปเที่ยวทุรงในป่าบางทีฉันอาหารคนไม่ได้ใส่บาทให้ฉันอาหารนิดหน่อย โลพ่ อ, อยังหิวนะผมพ่อนึกถึงตัวเองในคราวหิวนั่นแหละเอก็มาเปรียบเทียบกับกับสัพสัต ท, ทั้งหลายที่มันหิวอาหารนะเนมันคงจะหิวอย่างเราหิวนนะมักงเออความหิวเป็นทุกข์ในโลกนะเออสัพเพสตาอาหารฤทิการสัพสัต ท, ทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารถ้าไม่มีอาหารเป็นยังไงมันก็คงจะทุกข์เออใจทุกข์ร่างกายมันเหมือนกันน่ละ วันนั้นขอให้พวกเราพทุกท่านช่วยกันแ <c oughs> ต่ทางนี้ทางนั้นหลวงพอ่อถือว่าพวกเราเป็นสิทธิ์ญาณิสิทธิ์ขององค์หลวงตานะ่มีเมตตาต่อส ร, รพพสัตย์ด้วยละหลวงตานะเป็นกวางของหลวงตานะเนี่ยหลวงตาไปมอบให้และกวางหลวงตาจะได้รับความทุกข์ยากลําบากพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาจะไม่ดูไม่แลเลยมันจะถูกต้องหรือหนะลวงพว่อคิดเพียงแค่นั้นเหรนะ แต่เรื่องผิดเรื่องถูกอย่างอื่นหลวงพ่อไม่เกี่ยวนะอย่าไปเอาหลวงพ่อออกไปหลวงพ่อไม่ได้บวชมากไม่ได้เรียนกฎหมงกฎหม้อะไรมีแต่เรียนเรื่องเมตตากรุณาบุติตาเนี่ยให้สรรพสัตว์ทั้งให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขสุกกายสุขใจหลวงพ่อมาแนะนําสัง่งสอนสัทธายาติโจงก็เหมือนกันแต่หลวงพ่อไม่ได้แนะแนําอย่างอื่นนะให้พวกเราคิดดีทดําดีพูดดีเนอะณะนรัตถายาจง ถ้าเราคิดดีทดําดีพูดดีแล้วความสุขความเจริญจะเข้ามาสู่พวกเราท่านทั้งหลายเตลอดไปนะหลวงพ่อมีแต่สอนอย่างนั้นมิใช่หรอถะาตอนนี้ไปหลวงพ่อในตอนนีน้นะวันนี้หลวงพ่อพูดเรื่องจะพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมแล้วหลวงพ่อกดไม่ได้ที่จะพูดเรื่องวัดเสือให้พวกเราได้ฟัง